แม่ฟังกังวลเดี๋ย้องการมาฟังแบบนี้อยากจะพูดพราะภาษาอีสานนี่ฟังมันนุ่งมนไต่แต่แต่ถ้ากินอยากจะพูดในรูปภาษาเนี่มีกันภาษาภาษาอีสานเราะราไป็นมอลยเพอฟังได้แต่ว่าถดครับอีสานแท้ๆก็ไม่ไหวเพไม่ค่อยเอาใจใส่มันเนาะ มันจะมาอยู่กับพวกเจ็กไม่รู้ภาษาเจ็กไปเกิดด้วยกันไปเจ็กไม่รู้ภาษาคือไม่อเอาใจใส่เนาะทางภาคกลางมาหาภาคอีสากนกันเือนๆได้ยินบ่อยได้วยไม่อาใจใส่เนาะครับอื <c oughs> จะมาเพียงแค่วันของวันกลับไปไไาาวนันคื <c oughs> อขใครใครเหรอจะไปจแบบมัธนาชาติเดยวกันครับเนอะง ก, กันตั้งใจตั้งธรรมจัดทุกคน นักโมตักปะกวัตุอรหัตสัมมาสัมปุทตจักนโมตัะวตุอรหัตุสัมมาสัมปุทตจักนัโมตัะวัตุอรหัตุสัมมาสัมุทตจักพุทังตมังสัง n ังนามัสาบิอิทุปังสกจังตโมโสตโพต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 ผู้มีกำลังปัญญามีตาตาจักชวนญาติพี่น้องขึ้นมาภาคอีสานนี้ซึ่งเขาถือว่าภาคอีสานนี้เป็นภาาเป็นเป็ น, ป น, ปนถานที่แห่งแรงเป็นต้นแต่ว่าในเวลานี้ก็พอจะอยู่ได้แต่บางบางคนชาวกรุงเทพมาไม่อยากกลับบ้านก็มีมันเป็นบางแห่ง อย่างนี้แหละที่เอกว่าเขาเล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราได้ยินเดเราก็เชื่อซะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนั้นมากกม่ามิ่ไปใจไปของแน่นอนถ้าเราได้เดินมาทัศนาจรทัศนศึกษาด้วยตัวเองอย่างนี้แล้วเป็นต้นเป็จะรู้จักว่าสถานที่นี้หรือภาคอุตสาหนี้มันเป็นอย่างไรนะปัญหาที่จะสงสัยใน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 ปัญญาเกิดจากการฟังอันนี้เป็นหลักอันหนึง่งฟังแล้วไปคิดพินิษฐ์ิจารณาขยายออกให้มันกว้างแด้รวมเข้าให้มันน้อยแล้วขยายออกให้มันใหญ่อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเราเออกไปคิดมันก็เกิดปัญญาขึ้นแขนงหนึง่งเป็นสุตตรมยะปัญญากินตรมัะปัญญา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 ถ้าหากว่าเราเป็นเช่นนั้นปัญหาอที่เราจะทัศนาจรในข้างนอกนั้นมันสมดไปแต่ว่าสิ่งทั้งหลายดังนี้มนันเกิดแก่การรู้การเห็นการเป็นการเารดินมาทัศนาจรเห็นนั่นแหละอันนี้เป็นตัวอย่างเอ่นนั้นการปฏิบัตินี่จริงเป็นของที่สัมพันธมันบกเรียกกันปกับที่ว่าเราไหว้พระ พระุทธาระธรรมประสงค์เพราะวกเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงค์แต่ความเป็นจริงแล้วปไหว้ไปอย่างนั้นก็่ไม่ว่าพระพุทธมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักจะยินข่าวบ่าพระพุทธนั่นทันดีทั่นเลิ่นประเสริฐก็กราบท่านพระธรรมนั่นทันดีเลิยประเสริฐก็กราบท่านพระสงค์นั้นท่านประพุติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องใส่ก็กราบทนี้แต่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไง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 แต่คำสอนของท่านถ้าหากว่าพระพุทธองค์ยังอยู่ฉันก็จะบวชเหมือนกันเนี่ยใครก็จะบวชเหมือนกันแหละเปล่าไม่เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังมีผ่านพระพุทธเจ้าท่านยังมีตายพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ได้ทรงพรากรุณาที่จะพยายามโปรดสัตว์ต่างหลายอยู่ทุกเวลาแต่เราไม่พอจะรู้เรื่องกันเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเนธรรมะ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 พ่อข้อสามมันนี้ไม่ขาดไปจากโลกดีทีเดียวอันนี้คือสัจญาธรรมคือความจริงมันเป็นธรรมชาติเป็นของประจําโลกอยู่อย่างนี้ไม่ได้ไปที่ไหนแม่ฮองสงเด็จชขสมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าเราท่านมีบุญญาบา ร, รมีมากมีปัญญามากจึงมาค้นพบของเก่านี่เองเรียกว่าธรรมเก่าของเก่าคือความจริงนี่มันมีอยู่ท่านก็เข้าใจในสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านั้น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 แต่ว่าพวกเรานี่ปัญญามันน้อยบุญรอดสนาบารมีมันน้อยไม่เหมือนท่านท่านจึงบรรลุธรรมะสิ่งท่างหลายเหล่านี้เป็นต้นจึงได้ชื่อว่าท่านกัจจา ร, รู้เป็นประพุทธเจ้าคือกัจจ ร, รูธรรมะอันแท้จริงนี่เองไม่กัจจ ร, รู้อย่างอื่นไอ้ความเบิกยงิงตาหูจมูกปีนกายของท่านเขยังอยู่อย่างเก่าอแหละเอ๊ยยังอยู่อย่างเกา่า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 นามกายของท่านันเกิดขั้งที่สองสองครั้งขั้งที่สองก็กลับสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคือมันเปลี่ยนด้านจิตใจมันเปลี่ยนไปนหมดทุกอย่างนามกายอันหยาบมันก็หายไปหมดเป็นต้นคือความไม่บริสุทธิ์ทางลายนั่นหายไปจากจิตใจของท่านก็เรียกว่าท่านตายไปท่านตายไปที่เกิดไปแล้วก็ตายไป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 เรื่องมันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเอ่มันจะดีมันจะชั่วมันก็เป็นอย่างนี้เองของมันเกิดขึ้นแย่าเบื้องต้นกลางมันก็แพร่ไปเอ่อมแพ่ไปในทางกลางผลสุดมันก็เสื่อมไปถ้าอย่างนั้นให้รู้จักว่าคุณประโยชน์ของความดีและความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันกระที่โบสถ์วัดประมงวันเนี้ยที่มาดูวันเนี้ย อาจจะมาก็นั่งดูค่อยๆสังเกตุเลยมันคนแม่มันสวยนักเกินไอ้บงคนก็แม่มีสวยแต่มันแปลกไงเงินโบสันก็ไม่เป็นอะไรนะไอ้คนที่ว่าโบสสวยกับคนที่ว่าโบส์ไม่สวยมันก็มีราคาเท่ากันคนที่ว่าสวยแลก็ก็ว่าดสักคำตองทําแล้วก็กลับบ้านแล้วเนาะไอ้คนที่ว่าไม่สวยสักคำตรงๆก็กลับบ้านครับเขามาเดินมายืดทวงอยู่ตรงนี้กับตั้งปีกับตั้งชาติครอกยังงั้นคนที่ว่าสวยแลก็หนีไป คนที่ว่าไม่สวยถ้าหนี้ไปโบดยังอยู่อย่างเกา่านะตัวเราท่านทั้งหลายนี่คมือนกันฉันนั้นอย่าเริมทัศนาจรหรือทัศนศ า, าด้วยตัวเองเดินไปโน่นข้างล่างมันถึงปลายเท้าตั้งบนมันถึงศีรษะทัศนาจรดูอย่บนศีรษะไปหาปลายเท้าเอที่จะาถึงแต่ปลายเท้ามาบนศีรษะนี่มันเดือดอะไรบ้างนี่เขาเดียกว่ากายมันมีเท่านี้ย คนจะเป็นยังไงก็มีตอนนี้ข้างบนก็ศีรษะข้างล่างก็ปลายเทา้ามดแค่นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนดีว่านีอะไรคือกายให้รูปกายของเราสว่วนนี้ว่ามันเป็นเสียอย่างนี้มันมีผิวพันธุนนะ์บรรณะก่องใสไม่สะอาดสะอาดสม่ำเสมอกันทั้งนะั้นเป็นอย่างนี้แต่นี้เราก็เห็นตายข้างนอกไอ้คนนั้นสวยไอ้คนนี้ไม่สวยไอ้คนนั้นสูงคนนี้ต่ำเป็นธรรมดาแต่ยังไม่เข้าถึงตาย ถ้าเราทัศนาจลเป็นทัศนาศึกษาในกายของเราเองไอ้ของที่ตายในกายแมันมีอะไรว่าที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้พิจารณากายเมื่อเห็นตายแล้วไปพิจารณากายในกายอีกมันจะเป็นไงทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคือให้มันแยกภายกับไปอีกว่าเรา่าดูร่างกายเราก็ผิวเผินเท่านั้นแด็กไอ้คนนั่นสวยไอ้คนนั่นไม่สวยอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนี้กายกันนอก ถ้าจะน่าศึกษาให้กินกายในกายนะั้นมันเป็นยังไงตายในกายของคนทุกคนไม่มีอะไรจะแปล ก, กันสักนิดหนึ่งนะนะไม่มีอะไรจะแปล ก, กันสักนิดหนึ่งพูดง่ า, งายๆการทานอาหารตอนเช้าวันนี้หรือตอนเย็นวันนี้ก็เหมือนกันมีแต่ของนี่ดีทางนั้นน่ยมันแปล ก, กันนะแล้วก็เข้าใจว่าของมันดีนะแต่ที่มันเข้าไปมันเป็นของดีนะมีราคามากต่ำสูงประการทางนั้นนี่ย เมื่อับไปในท่อแล้วออกมาที่ไหีราคาเท่ากันแต่นั้นนะไม่ได้แปรอะไรกันเลยอันนี้ของฉันราคามากอันนี้ของฉันมีอะไรไม่มีใครแย่งกันเลยเป็นต้นแต่เมื่อจะข้าวไปในจานนี่เท่านั้นจานนั้นเท่านี้จานนี้แต่ลนแย่งซื้อแย่งขายแย่งกินกันแต่มันออกมาแล้วมันมีราคาเท่าๆกันนะเคยเห็นไหมนี่จ้าชาลวัศนศึกษาอนภายกายในกายมันจะรูปเป็นอย่างนี้ ว่าเหลียญเจนนี้ถ้ากรลึกก็ไปอีกเออไอคนเราเนี่ยมันก็แตกกันนะจะไม่ควรยึดมั่นก็ไม่ไม่ไม่ควรถือมั่นนะนี่ก็ต้องเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าการเกิดแก่เก็บตายลักษณะนี่มันเสมอเสมอกันดังนั้นท่านจึงให้โอวาทพวกเราท่านทางหลายว่าหน่วยญาติพี่น้องอันเดียวกันเรามาโดยการไปด้วยการอยู่ด้วยการนี้เป็นญาติญาติคือความเกิด ญาติคือความแก่ญาติคือความเจ็บญาติคือความตายอันนี้ตัณฑ์จะเป็นญาติกันทั้งนั้นเนี่ยมันมันญาติกันมันเหมือนกันอย่างนี้ไบางคนที่ไม่รู้สึกกะไรไม่เหมือนกันคนนั้นมันเป็นอย่างนี้อคนนี้มันเป็นอย่างนง้พระพุทธเจ้าตัจฑ์มารวมยอดเลยว่ามันเหมือนกันเกิดมาก็เหมือนกันแก่มาก็เหมือนกันเจ็บมาก็เหมือนกันตายก็เหมือนกันไม่มีอะไรจะไม่เหมือนเลย มันเหมือนกันทั้งนั้นมีฉะนั้นพวกเราถ้ามองดูกายแล้ก็ให้มองดูกายในกายว่ามันมีอะไรบ้างมันเหมือนกันที่ตรงไหนมันแตกกันที่ตรงไหนถ้าเราเห็นธรรมะอย่างนี้สามเสือแล้วเป็นต้นนะราคะโทสะโมหะมันกรเผ่าลงไปมันเหมือนกันมนุษย์น่ะเหมือนกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่ามันมีเหมือนกันฉะนั้นการจ่กเป็นญาต ญาติคือความเกิดเกิดก็เหมือนการแก่มาญาติคือความแกม่มัาก็เหมือนกันญาติคือความเจ็บเมอนก็เจ็บเหมือนกันญาติคือความตายทุกคน น, นก็ต้องตายเหมือนกันอย่างนี้วิธีนั้นเราไปคิดแยกสัเราไปคิดแยกสักนีเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงเพราะอะไรเราไปทัศนาจรนะก็ไปดูแล้วก็เที่ยวไปดูนี่เฉยเฉยไม่ใจทัศนะศึกษา ทัศนศึกษาแล้ะประพลันไปด้วยทัศนาจรทัศนาจรหรือทัศนศึกษาราการดูแลจาระท่นเที่ยวไปไม่ต้องทิ้งมันมาเราเดินไปเราเห็นเรต้องพิจารณาเรื่อยไปทัศนศึกษาอันนี้ที่บ้านเรามีไหมอันนี้ที่เมืองเรามีไหมไอ้คําพูดเชนีดเรากคยได้ยินบ่อยไหมหรือเพิ่งได้ยินวันนี้อย่างนี้เป็นต้นเราควรจะพิจารณาอย่างทัศนศึกษา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 ของร่วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหมือนกันเท่านั้นเนี่ยถ้าเห็นเป็นอันเดียวกันเจะนี้เราก็รู้จักธรรมะเราก็เป็นธรรมเป็นเอโปธรรมโมธรรมมีอันเดียวตานี้คนก็คมีคนคนเดียวตานี้ไม่มีคนหลายคนธรรมะก็คือมีธรรมอันเดียวตานี้ไม่มีธรรมหลายอย่างเท่านี้ไอความเห็นของมนุษย์ทั้งหลายมันมารวมกันเช่านี้แล้วเป็นต้นมันกาษาสมาธีกันสมาธิความรักสมาธิความเมตตาอารีซึ่งกันและกัน ความสามนาทีอันนี้มันพร้อมกันแล้วเป็นต้นมันก็ยกอะไรขึ้นมายกคนงานความดีขึ้นว่าสู่ใจมนุษย์ได้ทั้งนั้นเนี่ยเหมือนเราไปยกถอนไม้อะไรเป็นต้นเรามีคนจะงยี่สิบสามสิบคนนะถ้าไปสามนาทีกันมันยกขึ้นได้แล้วถ้าพร้อมกันสามนาทีกันมันยกขึ้นเดียวเดียวได้แต่เนี่ยของหนักมันก็เบาของยาวมันก็สั้นเป็นต้นของยากมันก็ง่ายขึ้นอันนี้ความนกันฉันนั้นเพราะพวกเราทางไหนเมื่อเห็นว่าเรามันเตลียนเช่นนี้แล้วตั้งใจ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าเราเป็นทัศนศึกษาเราจะอยู่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักกันอย่างนี้เลยที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีอะไรเป็นพิษไม่มีอะไรเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเปลี่ยนความเห็นเท่นั้นเองไอ้ความเห็นนี่เป็นสัมมามัติเป็นมิจฉามัติไอ้ความเห็นผิดนี่เป็นมิจฉาซึ่งเกิดขึ้นมาภัยอย้จิตของเรานี่เองไอ้โทษตั้งหลายต่างกวงที่มันจะมีมากเกิดขึ้นมานั้น จะเป็นโทษอย่างร้ายแรงกว่ามิจฉาทิฏฐิแล้วไม่เนี่ยไอ้ความเห็นผิดมาให้คนต่ำชาเร็วซามทายคนประพฤธิไม่ดีไม่งามตลอดประเทศชาติตงจะร่วมโจมไปก็เพราะความเห็นผิดนี่เองพระพุทธเจ้าฉันเชื่อไอ้ความเห็นผิดนี่คือเทวทัศตท่านมองหาไอ้ความดีของเทวทัศน์มันเมีแต่ น, น้อยเนี่ยปลายเส่นขนจำมะรีก็ยังไม่ได้เลยความบริสุทธิ์นั่น ท่านเรียกว่าความผิดนั่นแหละเป็นต้นเป็นนิจฉาจิตถีถ้านิจฉาจิตถี่กกนนกกกเกิดเป็นมาแล้วความทุกข์ยาติความราบากความร้อนบนประบนกระไว้ทุกประการมันพร้อมมันเกิดเป็นมาเลยท่านจีวะมันเลวที่สุดมันกิดที่สุดเพราะความเลี้นปิดเป็นนิจฉามากเป็นต้นอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่เราไม่ควรจะศึกษาหรือแม้เราศึกษารู้แต่ก็ทิ้งมันไปนี่เรียกว่าละไปปฏิบัติละ สัมมาทิฏฐินี่คือความสามัคคีความเห็นชอบเห็นว่ามนุษย์เราทางไหนมันเหมือนกันเป็นคนแก่คนเก็บคนตายเมือนกันไทยๆก็เมือนกันทางนั้นเนี่ยมีเกิดบางต้นก็มีแปรทำต่างมีแปรทำต่างที่สุดตรงก็มีหลับไปเป็นอย่างนี้ทุกๆชั้นทุกๆคนถ้าเราเห็นเช่นนี้มันก็เรียกว่าคนก็เหมือนกันเท่านั้นและอยู่ไปเท่านั้นเหมือนกันเท่านั้นไม่แปลกอะไรกัน ถ้าไม่แปลกันกาเข้าชิดกันต่อใกล้กันเป็นญาติกันเป็นมิตรกันคือเป็นคนคนเดียวกันฉะนั้นในจานั้นเมื่อความเห็นเราเป็นชินนี้เดี๋ยวเราก็เป็นธรรมไปที่ไหนก็เป็นธรรมนั่งอยู่ก็เป็นธรรมเดินไปก็เป็นธรรมตามองเห็นก็เป็นธรรมหูฟังเสียงก็เป็นธรรมจมูกรู้กินก็เป็นธรรมดิ้นดิ้นรดก็เป็นธรรมมันเป็นใส่อย่างนี้เมื่อเราเห็นเจนนี้เรียกว่าเราก็ไปชาเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมแล้วก็เห็นปัจจุบเจ้านอกใกล้ปัจจุบัเจ้า ถ้าเราใกล้ธรรมะแล้วก็ใกล้พระพุทธเจา้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจา้าทำไมกัพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะนั่นแหละปวดเรื่องกิงกิงนั่นคือธรรมะธรรมะก็เหมือนพระพุทธเจ้านั่นเองเสียธาตุบาตรจักรวาลแต่ยังท่านไในบรรลุ ธ, ธรรมะคือคําสอนอันนี้ทั้งก็เป็นคนธรรมดาถ้าการเห็นธรรมะอันนี้ทั้งก็เป็นพระพุทธเจา้าเพราะแสดงว่าบ่อเกิดของพระพุทธเจ้าคือธรรมะ ถ้าเรารู้จักธรรมะเป็นต้นก็รู้จักพระพุทธเจา้าเราเข้าไปใกล้ธรรมะเราก็ใกล้พระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ายังอยู่วิชัยว่าท้าหนีไปแล้วแตนยังอยู่ทุกวันนี้แต่ก็ยังคอยจะโปรดสัตว์ท่างหลายผู้ที่มีความเข้าใจประพุทธปฏิบัติตามเป็นต้นตเพราะพระว่าสิ่งที่ผิดมันมียอยู่แล้วสิ่งที่ถูกมียอยู่แล้วเป็นต้ น, นถ้าทำผิดมันก็ผิดถ้าทำถูกมันก็ถูก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 ทัศนาจารไม่จะดูไปเฉยเฉยไม่จะเดินเที่ยวเฉยเยแต่เมตท์จน่าศึกษาก็ดูไปด้วยศึกษาว่าอันนี้มันเป็นยังไงอันนั้นมันเป็นยังไง ร, รู้จักสิ่งทั้งหลายด่านั้นก็มาว่ามเห็นว่าเรื่องทั้งหมดที่มันก็ดื่อนอนิจจังนั่นเองแหละเรื่องทุกขังเรื่องอนัตตาไม่เจตัวไม่เจตวนไม่เจเล่าเจเขาทั้งนั้นเนี่ยเมื่อต า, าเห็นชัดต้ตงไปแล้วเป็นต้นท่าต้อเห็นอนิจจังเห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยง เห็นของม่เที่ยงก็คือต่นเห็นของเที่ยงนั่นเองเห็นของม่จริงจังก็คือท่านเห็นของจริงจังนั่นเองเพราะปัญญาของท่านฉะนั้นวันนี้ที่มาพบกับญาติโยมชาวพนักงานที่มาทัศนาจรมาทัศนาศึกษาให้มันประทนกันไปเรื่อยๆไปมาเที่ยวนี้ให้มันได้อะไรไปในใจของเราสิถ้ามาหลายหนแล้วนะให้ได้อะไรส่วนใด ส, นส่วนหนึ่งไปในใจของเจ้าของให้เป็นที่มั่นให้เป็นที่พอใจ ต้องโปรดาว่าไม่ต้องขาดทุนเมื่อมาวันนี้นะออกจากสถานที่บ้านเกิดเมืองนอนามานะหลายชั่วโมงเหมือนกันพิ้งสารการงานบ้านช่องมาแล้วหาโอกาสมาฟังธรรมะและมาพัฒนาจรอยากพัฒนาศึกษาให้มันเกิดบุญให้มันเกิดนกุศลให้มันเกิดประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นหากเป๋แขนจะเป็นง่อยเรี่ยว่าคนไม่สมบูรณ์นะในบริษั์ทั้งหลายไม่สมบูร์ก็คือเข้าใจผิดนะ เข้าใจผิดจะไปทัศนะนาดูเฉยๆเดี๋ยวฝไปบ้านไม่มีอะไรไปฝากลูกฝากหลานฝากพ่อฝากแม่ฝากตัวเขาเองก็ยังไม่มีเลยนี่จะทําไงฉะนั้นออกไปที่นี่ให้เป็นทัศนศึกษาให้รู้สิ่งที่ควรรู้ให้เห็นสิ่งที่ควรเห็นให้ประพฤติปฏิบัติไปอย่างนี้เห็นไปทีลนะน้อทีลเพิ่มเข้ามันกว่ามากาเองเดีเป็นต้นเปลี่ยนความเห็นผิดเนีมันถูกเข้าเปลี่ยนความเห็นในีมันถูกเพราะมันถูกเข้ามันก็หมทผิด หมดผิดน้องผสมบู์ทำตัวเราให้สมบูรณ์เป็นพุทธบริษัทที่สมบูรณ์ด้วยฉะนั้นวันนี้ขออยติการแสดงธรรมะแก่ญาติโยมทั้งหลายพ้น ท, ทิ่สุดท้ายนี้ขอให้โยมทั้งหลายทำจิตให้เป็นโอปารายการทมน้อมธรรมะอันนี้ไว้ในใจน้อมใจขอไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะเขอมาใส่ใจนะอย่าน้อมอย่าน้อมอาจารย์ไปหาเด็กนะ เออาจารย์โรงเรียนเนี่ยไปหาเด็กนะให้เด็กไปโรงเรียนอย่าไปน้อมโรงเรียนมาหาเด็กนะมันจะขี้เกียจนะอันนี้คือให้น้อมเราก็ไปหาธรรมะอย่าน้อมธรรมะก็มาหาเราเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องไปหาครูอย่าน้อมครูมาหาเราถ้าเราน้อมธรรมะมาหาเราเหมือนก็ไม่ค่อยดีเราจะน้อมเราก็ไปหาธรรมะเอเจนนั้น จ, ร, จริงเป็นคโรูจนะวโตูจะสันตุจิจจััตตินา เป็นผู้ไมริืมประการโยตรวิดีของบุคคลที่มีคุณเป็นต้นในจะ น, นั่นวันนี้ขอด้วยอํานาจแห่งคุณประสีรตระนตรยจงปกปักรักษาพวกท่านทางหลหนเดินทางไปให้สะดวกอย่ามีอุปสรรคขัดข้องในระวังทางทางออกจากนี้ให้ถึงจุดตีประสงค์พ้นจิตสุดท้ายจนถึงบ้านถึงช่องด้วยความสวัส ด, ดีด้วยอํานาจแห่งคุณประสีรตระนตยอย่างเรือนพ้น อันนี้ขอความสุขความเรจริญแก่จงนี้แก่พุทธริษัททั้งหลายทุกๆุกคนเถิด